บัตนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปนยะแห่งนิโรธาสัญญาคือการกําหนดหมายเห็นถึงคุณของนิโรธแล้วเพียรพยายามปฏิบัติให้สัมผัสได้นั้นกรรมานิโรธก็คือชื่อของนิพพานโดยนยยะหนึ่งนั่นเอง นั้นหลักการปฏิบัติในส่วนผลเหล่านี้พ ร, ระพูทมีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงจาแนกไว้โดยอเนกประยายหากว่าจะแบ่งเป็นสามช่วงใหญ่ๆด้วยกันก็จะพบว่าช่วงแรกก็คือให้ดับได้ในขณะนั้นๆหมายความว่ายังไงโลกเรานั้นเป็นโลกของสัมผัสมีอายตนะภายในภายนอกอย่างละหก การที่จะเกิดเป็นความรู้สึกรักหรือชังจะเกิดความกำหนัดขัดเคืองลุ่มหลงมัวเมาหรือว่าเกิดความความคลายกำหนัดขัดเคืองลุ่มหลงมัวเมาก็ตามก็อ า, า, าศัยประสาทสัมผัสของเรานั่นเองเป็นหลักกับใจของบุคคลที่กําหนดอารมณ์ในขณะนั้นนั้นด้นการดับในลักษณะนี้ก็คือการที่บุคคลมีสติสัมปชัญญะและความเพียรซึงใช้ได้ในระดับหนึ่ง ระลึกรู้ทันอารมณ์ที่บังเกิดขึ้นในขณะนั้นๆไม่ว่าเวลาตาเห็นรูปฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นรดกายถูกต้องหยุดนอนนอนแข็งหรือแม้แต่ใจเป็นเหนียวนึกถึงอารมณ์การสติระลึกรู้ในขณะนั้นๆว่าอารมณ์ที่เราระลึกหรือรับรู้ในขณะนั้นเป็นอะไรควรรับหรือไม่ควรรับ ถ้ารับไปแล้วจะได้ประโยชน์อะไรหรือถ้าไม่รับไปแล้วจะได้ประโยชน์อะไรก็มองดูที่ตัวประโยชน์ซึ่งจะได้จากการรับอารมณ์ดังนั้นก็ น, นี้จะเห็นได้ว่าในชีวิตประจําวันของบุคคลดัานั้นเราก็เกี่ยวข้องกับอารมณ์ทั้งหลายอยู่เป็นนั้นมากแล้วก็มีการเลือกเฟ้นอารมณ์มีการตัดสินอารมณ์มีการพิจารณาอารมณ์แล้วก็ตัดสินอารมณ์ไปตามสมควรแก่ขณะนั้นๆ ตัวอย่างผูือสังเกตเช่นจะดื่มจะลิ้มสิ่งของอะไรเข้าไปแล้วก็มีการระลึกรู้ในขณะนั้นว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรดื่มไปแล้วจะได้ประโยชน์หรือไม่ได้ประโยชน์อย่างไรถ้าใจวินิจฉัยทันในขณะนั้นๆตามความเป็นจริงได้เราก็งดดื่มแต่เห็นว่าแกจะไม่เป็นประโยชน์ไม่จะดื่มลงไปเมื่อมองเห็นว่าเป็นประโยชน์แต่ที่เกิดเป็นปัญหานั้นคือ สติสมัมปชัญญะระลึกรู้ไม่ทันไปดื่มในสิ่งที่ไม่ควรดื่มเข้าไปหรือไม่ดื่มในสิ่งที่ควรดื่มเข้าไปจึงได้สร้างปัญหาขึ้นออกมาในลักษณะต่างๆแม้ในการสูดกลิ่นก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเพียงสังเกตว่าโดยส่วนหนึ่งเราก็ระลึกรู้ทันในขณะนั้นๆว่ากลิ่นนี้ควรสูดดมหรือไม่สูดดมเข้าไปแม้บางขณะ นังรถหรือเดินไปในสถานที่ต่างๆก็มีกลิ่นผ่านเข้ามาทางจมูกเมื่อจมูกได้สัมผัสแล้วจิตก็ระลึกรู้ทันทีว่ากลิ่นเหล่านีคดด้ควรสูดดมหรือไม่สูดดมเข้าไปบางกลิ่นเราสามารถอั้นลมหายใจเอาไว้เพราะมองเห็นว่าถ้าหากาสูดดมเข้าไปก็จะมีอันตรายแต่บางกลิ่นเราก็พยายามสูดหายใจเข้าไปลึกๆ แสดงว่ามองเห็นคุณค่าของการสูดดมสิ่งเหล่านั้นแม่รถสัมผัสเป็นต้นก็มีลักษณะเช่นเดียวกันค้อนนี้ผนสังเกตว่าจริงๆแล้วในชีวิตของประจําวันของบุคคลนั่นเองอารมณ์ทั้งหลายก็ก่อให้เกิดความรักความชังที่ทรงใช้คําคู่ๆกันอยู่เสมอก็คืออภิชากระทมนั้นอภิชานั้นก็คือ ก็เกิดความรักใคร่พอใจต้องการปรารถนาไขว้คว้าอยากได้อยากมีอยากเป็นในสิ่งเหล่านั้นด้วความรู้สึกในสายนี้พึงสังเกตว่ามันก็พร้อมจะแปลตัวเองไปหรือบางครั้งอาจจะทรงใช้คำอย่างคําเดียวแต่พึงสังเกตว่ามันมีกิเลส ท, ที่แฝงเร้นอยู่ด้วยแล้วก็มีธรรมะที่อยู่เบื้องหลังด้วยในกรณีของสิ่งที่เราเกิดอยากได้ด้วยความพอใจต้องการสิ่งเหล่านั้นถ้าเราอยากถ้าเราได้กิเลสมันก็เพิ่มขึ้น อีกโดยดัมดับคือตัวนั้นเองก็จะเพิ่มขึ้นโดยดําดับและที่น่าสังเกตก็คือว่าโมฆะนั้นแก่จะเพิ่มตามขึ้นไปด้วยก็ดูตัวอย่างง่ายๆคล้ายๆกับพระเรบินทาบาทเนี่ยที่พระเจา้าทรงกําหนดให้บินทาบาทเพียงเต็มขอบปาก บ, บาทเว้นว่แต่กรณีที่จําเป็นจริงๆเพื่อสงเคราะห์ประชาชนหรือเพื่อจะมาแก้ปัญหาอะไรบางอย่างเราก็ต้องระลึกรู้ในขณะนั้นๆว่า ถ้าเกินไปก็ไม่รู้จะเอาไปทําอะไรเกิดเป็นความสูญเสียไม่ได้ประโยชน์เราก็หยุดการรับเพียงเท่านั้นแต่ถ้ามองเห็นประโยชน์มันก็สามารถที่จะทําไปได้การวินิจฉัยตัดสินในแต่ละขณะจึงมีความจําเป็นมากว่าทําอย่างไรจึงจะเป็นการถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเพราะการปฏิบัติธรรมะนั้นจะมีเรียกกาลเทศะและอารมณ์ ยิ่งเข้าประกอบในขณะนั้นนั้นกาละหนึ่งเทศะ ห, หนึ่งอารมณ์นั้นใช้ประโยชน์ได้กาละหนึ่งเทศะหนึ่งอารมณ์นั้นใช้ประโยชน์ไม่ได้มันก็ต้องมีการวินิจฉัยออกไปให้ชัดเจนทีนี้ตัวสติสัมมาจารยที่เราลึกขึ้นมานั้นถ้าหากว่าเกยอนกําลังไปมันก็เพิ่มในส่วนของโลภะพอโลภะเพิ่มไอพวกโมหะก็เพิ่ม จิตใจก็จะหวงก็จะยึดจะติดในสิ่งที่เราได้มาหรือแม้แต่สิ่งที่เราอยากได้ให้ลองสังเกตว่าการเอื้อมของใจบางครั้งเราอาจจะเพียงหมายตาไว้ว่าต้องการจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ว่าใครเกิดไปซื้อหาสิ่งนั้นเสียก่อนเราจะเกิดโทสะทันทีเราเกิดไม่พอใจในบุคคลที่มาเอาของชิ้นนั้นไปทันที ให้ลองสังเกตุโทสะนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรมันเกิดขึ้นมาจากโมหะแล้วเกิดจากโลภะที่ไปเกาะเอาไว้ทั้งๆที่ไม่นเจตของเราโมหะเองคือความหลงเองแก่เพิ่มขึ้นแต่ถ้าเราลองหยุดคิดแล้วก็พิจารณาด้วยใจตัวเองว่าเรารู้สึกยังไง ร, รู้สึกโกรธโกรธโกรธใครโกรธคนนั้นคนนั้ น, น, นที่มาซื้อของตัดหน้าเราไปแล้วถามตัวของนั้นเป็นของเราหรือเปล่า เรากจะได้คําตอบจริงๆมันไม่ใช่ของเราเป็นของที่เขาวางขายไว้เท่านั้นเองใจเราเพียงแต่ไปคิดกําหนดว่าอยากได้เพราะเมื่อของไม่เป็นของเราเขาก็มีสิทธิ์ที่จะซื้อและเจ้าของก็มีสิทธิ์ที่จะขายแต่ว่าเพราะโมฆะแกะเกิดขึ้นโลภะแกะมีกําลังมากเพราะงั้นแกผลักให้เกิดเป็นโทสะได้ยทุกขณะอย่างในกรณีที่เป็นก็เรียกว่ามาจากโทมนัสก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือแกะจะเปลี่ยนเป็น โลภะก็ได้หรือเปลี่ยนเป็นโมหะก็ได้แต่โมหะนั้นจะเป็นฐานอยู่ดังที่เคยกล่าวอยู่เสมอเราะการวินิจฉัยอารมณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นน้ทัติสมัมจัญญารู้เท่าทันเราก็ดับจะได้ในกรณีที่กิเลสแต่ละอย่างจะเพิ่มขึ้นคือสายใดก็ได้จะอารมณ์ใดที่มันไปกระตุ้นเพิ่มพูนให้เกิดความกำหนัดมากยิ่งขึ้นเราก็ตัดกระแสอารมณ์ลานั้น อามณ์ที่เกิดความขัดเคืองเราก็ตัดกระแสอารมณ์ของความขัดเคืองอารมณ์ความกำหนัดกับความขัดเคืองนั้นเพืสังเกตว่าถ้าจะให้เลือกว่าน่าจะเลือกออกวาที่กำหนัดมากกว่าเพราะอะไรเพราะที่กำหนัดนั้นเราได้แต่โรงที่ขัดเคืองนั้นเราเสียเช่นสมมติเราคนก็ด่าว่าทุ่งติงตำหนิใส่ไร้ป้ายสีเราแล้วให้เราเกิดความโกรธถ้าเราโกรธตามนั้นแสดงว่าเราเสีย คนที่ทําเหตุการณ์นั้นขึ้นมาเขาได้เขาประสบผลตามที่เราต้องการ ต, ตามที่เขาต้องการแต่ถ้าก็ทําไปแล้วเราไม่เกิดโทสะไรเราเฉยเฉยเสียเขานั่นเองจะได้รับคนเดียวคือเขาเดือดร้อนคนเดียวก็นี้เพื่นสังเกตพระพุทธธรรมระที่พระพุทธเจ้าได้รับสั่งแก่พราหมณ์ภาลตวาชาที่โกรธพัญญาของตนเอง สแสดงความนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้าต่อหน้าพวกพราหมณ์ซึ่งตนเชิญมารับประทานอาหารที่บ้านแต่ไม่พราหมณ์เหล่านั้นไม่พอใจแล้วก็ยกพวกกลับไปแต่เมื่อพราหมณ์ไม่สามารถทําอะไรกับแก่พัญญาของตนได้ก็มาต่อว่าพระพุทธเจ้าไปทอยคําำนิยาบคายร้ายกาดด้วยประการต่างๆคือดูแล้วไม่น่าเชื่อว่าคนเหล่านั้นจะมาพูดกับพระพุทธเจ้าได้ พระเจ้าก็ทรงประทับนั่งฟังจริงดอดนั้นแต่นในที่สุดก็รับสั่งถามว่าเบียบเบินแขกมาสู่เรือนของท่านท่านก็มีของมาตอนรับแขกถ้าแขกไม่รับประทานของนั้นของนั้นจะกลายเป็นของใครพระองค์ก็บอกว่าก็กลับเป็นของเจ้าของบ้านพระเจ้าก็รับสั่งว่าเช่นเดียวกันทอคดคําด่าว่าทั้งหลายที่ท่านด่าว่าแต่ถากดน้นตถาคตไม่บริโภคร่วงกับท่านาซึ่งก็หมายความว่าของนั้นเป็นกลับเป็นของเขา ไปทอดคำหยาบคายร้ายกาจมีลักษณะเป็นสํารากเป็นสิ่งที่ระบายความสศกโกรกออกมาแต่เราไปรับแสดงว่าเราก็ตกเป็นทาสของเขาแต่เราไม่รับเขาก็ประสบภัยด้วยตัวเขาเองเพราะฉะการที่มีสติสัมปชัญญะระลึกรู้ทันในขณะนั้นแล้วก็ดับความรู้สึกจะออกมาในทางกําหนัดก็ตามทางกัดเคืองก็ตามแล้วก็ดับความคิดนั้นเราก็ไม่ถูกแผดเผาข้อนี้อย่างที่ ท, ทรงแสดงในรูป ของนิโรธทัศนญาหรือนิโรธทัศนจะในมัสติปัฐานสูตรนั้นทรงแสดงสองตอนคือตอนที่เป็นสมุดไทยนั้นทรงชช้คำว่าตัณหาเมื่อจะเกิดก็เกิดขึ้นที่นี้เมื่อจะตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่นี้แล้วก็ทรงแสดงที่เกิดของตัณหาว่าเกิดจากอรยตนะภายในทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดจากอรยตนะภายในพันภายนอกทั้งหคือรูปเสิ่งนิโรธบุตรภาพธรรมรม แลเกิดจากวิญญาณทั้งหเป็นต้นนี่ก็เรียงลงไปเรื่อยๆนี่เรียกว่าสายเกิดแสดงว่ากิเลสแก่เกิดที่ไหนเราก็ดับที่นั้นเหมือนปัญหาเกิดที่ไหนก็ดับที่นั่นเหมือนคันที่ไหนก็เกาที่นั้นเหมือนเปื้อนที่ไหนก็ชำระที่นั้นที่จริงแล้วเป็นอาการปกติในชีวิตประจําวันของเราดันเองเห็นว่าเราก็แก้ปัญหาในที่จุดซึ่งมันเกิดปัญหานั่นเองไม่ใช่ไปแก้ปัญหาที่อื่นเพราะถ้าแก้ปัญหาที่อื่นปัญหามันก็ไม่สงบไป แต่ว่าการแก้ที่จะให้ผลถาว ر นั้นจะเป็นแก้สาวไปถึงก้นบึ้งของปัญหาเพราะ ว, าวิธีแก้ปัญหาจึงเหมือนกับลักษณะของการรักษาโรคจะเห็นว่าบางอย่างเราใช้ยาบรรเทาคือไปบรรเทาที่อาการของโรคมันเป็นการสงบระงรับชั่วคราวเท่านั้นเองแก้กระคันแล้วก็เกาคันแต่มาคันอีกวิธีที่สองนั้นก็คือศึกษาถึงต้นเ a ้าเหตุให้เกิดอาการเหล่านั้นแล้วก็บําบัดตัวสมุดฐาน วิธีการของพุทธศาสนาใช้ทั้งสองแนวเพราะบางครั้งเราก็ไปขุดรากถอนโคนก็นยังไม่ได้กํบบาลังแกแรงแล้วเกิดบางก็เอาแต่ปะทะไว้ก่อนในแนวการประทะนี้เมันสังเกตว่าแนวของศีลก็จริงก็เป็นการประทะเป็นการชะลอความรุนแรงของกิเลสเอาไว้ไม่ใช่หมายความกิเลสแก่หมดเป็นการลดความรุนแรงของกิเลสเพราะงั้นที่ฉันเรียกว่ามัน ญ, ญาติ มันญาก็คือเขื่อนหรือคันนาหรือคันดินทั้งหลายนีย่ที่มันกั้นน้ำไม่ให้ทะลักลน้นเป็นการชะลอความรุนแรงของน้ำเอาไว้เพื่อนระดับสีระดับมันญ่าระดับอาจาระคือความประพฤตินั้นที่จริงแล้วจิตใจของบุคคลก็ยังถูกปกคลุมด้วยกิเลสในระดับหนึ่งนั่นเองเพียงแต่ไม่แรงคือจนถึงล้นออกมาทาให้การกายวจาของเราวิปริตไป แต่ในชั้นของสมาธินั้นก็ถือว่าเป็นชั้นที่จะพยายามส ง, งบไพ่นานมากยิ่งขึ้นแต่ก็ไม่ได้หมายความมากเกลียมันจบหมดเพียงแต่ส ง, งบหรือสยบเอาไว้เท่านั้นในชั้นการใช้สติสัมปชัญญะอย่างที่ว่านี้คือการคือการระลึกรู้ในขณะนั้นๆั้เพราะสิ่งนี้ได้เกิดขึ้นแล้วสิ่งนี้เกิดขึ้นที่ใดเราก็พยายามส ง, งบระ ง, งับในที่นั้นให้ได้ ดังนั้นในนิโรธสัจจะทรงแสดงโดยโครงสร้างเดียวกันเพียงแต่เปลี่ยนทอยคำเท่านั้นเองว่าตนาเมื่อจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นที่ตาหูจ ม, มูกดินกายใจเ ก, เกิดขึ้นที่รูปเปนนเกิดขึ้ใรูสียงกริ่นรถปุถะ ธ, ธรรมะรกเกิดขึ้นที่วิ ญ, ญญาณหกสัมผัสหกนั่นเองแต่ว่าต้องบอกว่าเมื่อจะดับก็ดับในเมื่อจะละก็ละในที่นี้เมื่อจะดับก็ดับในที่นี้หมายความว่าดับที่ไหน ดับเปลาตาเห็นรูปหูฟังเสียงเป็นต้นแล้วก็ดับที่ตาก็ได้คือตาไม่ดูใชเลยแล้วก็จบแล้าหูแล้วหูก็หยอกฟังมาใช่ก็จบจมูกจมูกก็หยัดสูดลมก็จบลิ้นหยัดลิ้มก็จบกายหยัดจับต้องอยไปแตะต้องก็จบเพราะว่าพวกนี้เป็นผู้ประสาทเมื่อไม่มีการรับรู้ทางประสาททั้งหกทั้งห้าอย่างที่ว่าเนี่ยใจก็ไม่ได้รับรู้อารมณ์เหานั้น เพราะว่ในเกิดความความรักความชังหรือความหลงอะไรต่างๆก็เกิดขึ้นไม่ได้ทํานองเดียวคล้ายๆกับอะไรคล้ายๆกับตาเราบอดหรือเราหลับตาก็ได้เราก็ไม่เห็นรูปเพราะงั้นรูปนั้นจะดีหรือไม่ดีก็าตามเช่นสมมติว่าคนตาบอดคนมาแสดงท่าทางหลอกชี้หน้าด่าว่าท่าทางโกรธแค่้นอะไรๆแกไม่รู้สึกยินดียินได้อะไรทําไมล่ะเพราะจะกูประสาทเกดับ เมื่อประสูตรจากครูประสาทดับการรายงานรูปทางตาก็เกิดขึ้นไม่ได้ใจก็ไม่รับรู้อารมณ์เหล่ด น, นั้นเมื่อรับรู้อา ร, อารมณ์เหล่านั้นความยินดียินร้ยนายก็ไม่เกิดขึ้นหรือว่าการกระทาแก่คนหูหนวกก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือดาว่าคนหูหนวกเราจะเห็นว่าตัวการใหญ่มันโสตะประสาทมันดับไอ้ที่เกิดของกิเลสมันดับเพราะงั้นใจก็ไม่ได้รับอารมณ์หล น, นี้เมื่อไม่รับ อารมณ์เหล่านี้ความรู้สึกรักชังเป็นต้นก็เกิดขึ้นไม่ได้ด้านการละจึงทําได้สองตอนตอนแรกก็คือระงับเสียเลยคือคือไม่ดูไม่เห็นเสียเลยไม่ความมันจะเกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจตาหูจมูกลิ้นกายไม่ไปสัมผัสกับสิ่งนั้นนั่นก็จบสิ้นกัน แต่ว่ามีปัญหามากก็คือว่าใจเรานั้นจะสายหรือจะแสไปรับรู้อารมณ์ที่พระเจ้าทรงใช้คาว่ามักตกไปในอารมณ์ที่รักที่ชังหรือที่ใคร่มันจะตกไปในอารมณ์เหล่านั้นมากบางอย่างเนี่ยไม่น่าจะรู้หรอกรู้แล้วก็ไม่สบายใจเห็นเขาด่าว่าก็นินทาก็ใส่ร้ายเราเลือดษาไปสืบถามไปดูซิว่าเขาด่าว่าฉันว่ายังไงก็นินทาฉันว่ายังไง ก็ไปสืบมมาทําไมมันของร้อนๆไปเอามาทําอะไรแล้วก็เฉยๆเสียมันก็หมดเรื่องแต่นั้นเองหรือบางทางบางครั้งนี่คนเขาซุบซิบนินทาก็ไปบังคับกลุ่มครูเขาบอกว่านินทาฉันว่าอย่างไงได้เ้าจะเห็นว่ามันเกิดทั้งโลภะมันเกิดทั้งโทสะมันเกิดทั้งโมหะแล้วเกิดทั้งความแตกแยกขึ้นมาเพราะนั้นถ้าเราดับจปนในตอนนี้มันกระดับได้อีกประการหนึ่งก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผลิตัณที่มันผ่านเข้ามา ผ่านก็ามานั้นเราจะเห็นว่าเราไม่มานัติการคือไม่ใส่ใจมันก็จบเพิ่งแก่รูปมันผ่านมาเป็นนานมากเช่นเราเดินมากลางถนนในรูปคนเยอะเลยผ่านมาลองถามดูรูปใครใครผ่านไปเราก็ไม่รู้ทําไมไม่รู้เพราะเราไม่ใส่ใจรู้สึกรักรู้สึกชังในรูปเหล่านั้นไหมบางร่างรูปอาจจะสวยบางช่างรูปอาจจะกีเรเราจะพบว่าจริงๆแล้วไม่รู้สึกทั้งสองอย่างทําไมล่ะ เพราะเราไม่ใส่ใจดังนั้นการดับอารมณ์บางอย่างนั้นจึงดับที่อายตนะแคะดับในขณะนั้นๆอย่างนี้ที่ท่นานใช้คำว่าอายตนะนิพพานแต่อยตนะนิพพานในปัจจุบันก็มีความหมายที่แผกออกไปคือมีการอธิบายในลักษณะคล้ายๆก็เป็นโลกอีกโลกหนึ่งซึ่งเป็นที่อยู่ของท่านซึ่งเข้าสู่นิพพานแล้วก็ไปนั่งแข็งเป็นพระพุทธรูปอยู่ที่นั้นตลอดชั่วนิรันดร และพระเจ้าทรงอธิบายนั้นจะเห็นว่าเป็นเปน เ, ปนเป็นการดับเป็นการละเป็นการดับในขณะนั้นนั้นตัณหาเมื่อเกิดขึ้นในที่ใดก็ดับในที่นั้นคําว่าตัณหานั้นพึงเข้าใจว่าเป็นชื่อที่เรียกแทนกิเลสทั้งหมดไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นตัณหาอย่างเดียวคือไม่เจาะจงว่าต้องเรียกชื่อว่าตัณหาอย่างเดียว เพราะจริงๆแล้วกิเลสเหล่านั้นแหละเราเรียกว่าตัณหาก็ได้เรียกว่าอุปาทานก็ได้เรียกว่าวิชาก็ได้เรียกว่าอย่างเ อ, อก้อปุสุลมู ล, ละอะไรอะไรเรียกได้อีกมากมายเลยเกินเป็นการเรียกตามอาการของแก่คนนี้ขอใท่านสาธตุชนทั้งหลายลองสังเกตว่าไอเรียบทคนที่เราเปลี่ยนแปลงไปมันก็คนคนนั้นแหละแต่เราก็พูดเป็นเขายืนเขาเดินเขานั่งเขานอน ก็ทํำสิ่งนั้นก็ทําสิ่งนี้แต่จริงแล้วก็คือเป็นเรื่องของคนคนเดียวเท่านั้นเพราะการเรียกอาการของกิเลสก็มีลักษณะจะเดียวกันกิเลสมันก็คือกิเลสเท่านั้นเองแต่เวลาเวลาแกเปลี่ยนแปลงไปอาการอย่างหนึ่งเราก็เรียกชื่ออีกอย่างหนึ่งเรียกว่าตัณหาพระบังคับจิตได้ดิ้นรนเรียกอุดปาทานพระก่อยเกิดความยึดจิตอยู่ในสิ่งเหล่านั้น เรียก ว, วิชาเพราะมีความมืดบอดเรียกประโยคะเพราะลักษณะผูกมัดเอาไว้เรียกว่าโอฆ่เพราะพัดผันใจของบุคคลใ้สายไปในวลมทั้งหลายมันก็ตัวนั้นแหละคือกิกเลสตัวนั้นนั่นเองแต่ว่ามันแสดงอาการออกมาหลายอย่างเราก็เรียกชื่อไปหลายๆอย่างแต่นั้นอย่าไปติดใจในชื่อให้มากเกินไปเพราะว่าจะทําให้เรามีความรู้สึกว่าเออไอกิเลสนั้นก็ยังไม่ละกิเลสนี้ก็ยังไม่ละ อย่าลืมว่าเวลาพูดถึงการละแล้วก็ไม่ได้พูดมากมากเจนพระพุทธเจ้าทรงใช้คำว่าตันหักขโยคือหดตันหาก็จบแล้วกิเลสพวกอื่นไม่ต้องเรียกชื่อแกก็ได้เพราะมหมดแล้วตันหักขโยนั้นเป็นเพียงชื่อของกิเลสประเภทหนึ่งคือหักตันหาหรือดับตันหาได้แต่นั้นเด็กแต่เมื่อตันหาดับอย่างอื่นมันก็ดับหมดเพระอย่างอื่นก็เป็นอาการของกิเลสตันหาเหล่านั้น บางครั้งทรงใช้คำว่าสมูลังตันหั่งอั บ, บุยหะอิช่าโตประนิปุโตถอนตันหาพร้อมทั้งมูลรากได้แล้วดับสนิทนั่นก็แสดงว่าถอนตันหากับอุปาทานถอนตันหาอุปาทานาวิชาได้แล้วเป็นโบหานในการเรียกประเด็นที่สําคัญก็คือการที่พยายามที่จะดับอารมณ์ประเภทที่ขณะนั้นๆ ในกาละนั้นๆในเทศะนั้นนั้นๆในขณะนั้นๆในกรณีที่คือไม่จะดับทุกอารมณ์ในกรณีที่จะเพิ่มกิเลสเพิ่มความกำหนัดให้สูงขึ้นเพิ่มความกัดเคลื้อให้สูงขึ้นเพิ่มความรุ่มหลงให้สูงขึ้นเพิ่มความมัวเมารให้สูงขึ้นเพราะเราจะเห็นว่าสมุทัยแก่ก็เกิดตรงนี้เองเกิดที่ยตนะภายในยตนะภายนอกเป็นต้นนั่นเอง แล้นีโรดแกก็เกิดตรงนี้เหมือนกันคือเกิดที่อายตนะภายในอายตนะภายนอกเหมือนกันเพราะ ง, งั้นจึงทรงทราบกันว่าถ้าจะละ ก, ก็ละ ก, กันตรงนี้แหละถ้าจะดับก็ดับกันตรงนี้แหละนี้ทํายังไงจึงระลึกรู้ทันบางครั้งมันอยู่ที่การพิจารณาอาจจะช้าบไปหน่อยเช่นว่ามีข่า ว, ม, า ว, ม, า ว, ม, าวมีคราวมีคําพูดอะไรเกี่ยวกับทบกระทั่งใจแล้วเรารู้สึกไม่สบายใจ ก็นึกน้อมถึงพระพุทธดํรรัสว่าอารมณ์เช่นนี้พระพุทธเจ้าสอนว่ายัางไงอย่างที่ทรงสอนวานาเปรเรสังวิโลมานินปรปเรสังอากตากตัยาไปใส่ใจถึงถ้อยคำที่แสยงขนคือหยาบคายของบุคคลเด่นอันนี้ถือว่าเป็นอาการที่ปรากฏในขนาดนั้น ถ้ายคำเสียงคนนั้นอาจจะพูดก็ได้อาจจะเขียนก็ได้อาจจะแสดงอาการกริยาท่าทางก็ได้อาจจะนินทาเราก็ได้หรื อ, อาจจะเขียนบัตสนเทศมาด่าก็ได้อะไรก็ได้ก็อยู่ในกลุ่มของคําว่าคําหยาบคายหรือคำเสียงคนนั่นเองมันเป็นของของเขาเราก็ไม่อยากไปใส่ใจของเขาแม้เขาจะด่าเรามันก็เป็นเรื่องของเขาคือเราไม่ได้เป็นตามที่เขาดา่า เพราะถ้าคนเราถ้าเป็นตามที่คนอื่นว่าก็ไม่ต้องทําอะไรก็ให้คนอื่นว่าเราดีๆก็ได้กันพระให้สีลไพรอนอายุวันโนสุขังบาลังก็ไม่ต้องทําอะไรอายุยืนแล้ววันณนะปองไซแล้วความสุขเกิดขึ้นแล้วกำลังเกิดขึ้นแล้วคงไม่ต้องทําอะไรกันแล้วคนคงจะไม่มีแล้วในโลกเนี้เพราะจริงๆคนเราจะดีหรือจะเลวนั้นเพราะเราทําเองไม่ใช่เพราะเขาว่าดั้นถ้าเขาว่าเราก็ถือว่า เป็นถ้อยคำที่ปราศจากยางอายหรือจะต้งใช้คบว่าเสี่ยงคนฟังแล้วไม่สบายหูไม่สบายใจเราก็อย่าไปใส่ใจหรือกตานิอกตานิจะคือสิ่งที่ทำแล้วและยังไม่ได้ทำของคนอื่นเพราะอะไรเพราะเรื่องของเขาเขาไม่ทำก็เรื่องของเขาเ็าทำก็เป็นเรื่องของเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรให้แกเราแต่ท่านก็มาสอนว่าอัตโนวาเวอาวเคยจอกตานิอกตานิจะ ให้มาตรวจ ด, ดูเฉพาะสิ่งที่ทําแล้วและยังไม่ได้ทําของตนเท่านั้นเพราะ้นคุณลักษณะของคนผ่านกับบัณฑิตจึงมีความแตกต่างกันท่านแสดงว่าคนผ่านนั้นจะเพ่งโทษคนอื่นเป็นลักษณะแต่บัณฑิตจะเพ่งโทษตนเองเป็นลักษณะมีการตรวจสอบที่ตัวเองถ้าสมมติว่ามีการด่าว่าตําหนิใส่ร้ายอะไรต่างๆก็ตามเราก็ตรวจสอบที่ตัวเองว่าเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าเราไม่เป็น จะ เ, เป็นเรื่องที่คนเข้าใจผิดแต่ก็สารวมระวังเอาไว้ว่าขนาดว่าเราไม่ได้เป็นเนี่ยก็ยังว่าเราได้ถ้าเราเป็นจริงก็จะเป็นไปขนาดไหนกรนี้ท่านตั้งหลายจะสังเกตว่าลงจะได้ยินเรื่องหลวงพ่อในนิกายเซนท่านหนึ่งที่มีคนก็ใส่ร้ายว่าท่านไปทำลูกขอท้องพอะแม่ก็ไปบังคับขุมครูให้ท่านรับเด็ก คนก็ไปตอบว่าดาว่าประท้วงท่านถามมาเขาว่าอย่างนั้นเรยเมื่อเขาว่าอย่างนั้นก็บอกให้รับเด็กท่านก็รับไปเลี้ยงต่อมาเด็กแกก็เกิดละอายเขาไปใส่ร้ายหลวงพ่อบาปกรรมก็ไปขอเปิดเผยความจริงกับพ่อแม่พอแม่ก็ยกพวกไปขอกรรมาโทษที่ดาว่าหลวงพ่อจะขอรับลูกคืนไปขอหลวงพ่ออภัยด้วยหลวงพ่อถามมาเขาว่าอย่างนั้นเลยคือเราเห็นว่าทั้งสองอย่างเนี่ย คนอื่นเขาว่าตอนนั้นท่านไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าจะให้เลี้ยงเด็กให้ก็ดีเป็นการโนเคราะเด็กแต่จะรับไปก็ดีท่านไม่ต้องยุ่งยากท่านก็มีภารากิจที่จะต้องทําในฐานะเป็นพระตกลงว่าคนร้อนจึงอยู่ที่ข้างนอกเราเองไม่ได้ร้อนเรากลับได้อาศัยเหตุการณ์ตอนนั้นทําประโยชน์ได้เป็นการทดสอบจิตใจของตัวเองได้ด้วยเพราะการดับในที่นี้ซึ่งฉงใช้คำวมตัดทางกะวิมุตต์คือจิตมันหลุดพ้นจากอานาจของกิเลสในขณะนั้น ในขณะตาเห็นรูปหูกฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นนิมลดกายถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งและใจตึกนึกอารมณ์นั่นเองถ้าดับอารมณ์พี่จะเพิ่มกิเลสแต่เราสังเกตว่าอารมณ์นั้นจะเพิ่มกิเลสจึงให้ดับแต่ถ้าอารมณ์ใดที่เพิ่มความสงบเพิ่มความรู้ยิ่งเพิ่มความรู้ดีเป็นไปด้วยความดับกิเลสสูงมากยิ่งขึ้นเราก็ไม่ดับ เราก็เพิ่มภูนรักษาประคับประคองไว้เพราะง้นก็เหมือนอะไรล่ะเหมือนคนที่มาถึงบ้านเราคนบางคนเราก็ให้เข้าไปบางคนเราก็ไม่ให้เข้าไ ป, า เ, าไ เ, าไปเพรา ะ, ะจะให้เข้าหรือไม่ให้เข้านั้นไม่ใช่ว่าเอาด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะแต่ดูที่ว่าเขาเป็นใครพึงสังเกตเราดูที่เขาเป็นใครการเข้ามาของเขามีผลกระทบต่อเราอย่างไงบ้าง แต่กระทบในทางดีก็ใหเข้ามาเช่นพ่อแม่เพื่อนคูงญาติพี่น้องมาก็ยินดีต้อนอรับเพราะอะไรเพราะว่าจากการเปิดประตูรับท่านเหล่านั้นมานั้นจะเกื้อกูลเราแต่ถ้าเป็นขโมยเป็นโจรเป็นศัตรูเราก็ไม่เข้าเพระาะอะไรเพราะถ้าเข้ามาแล้วจะทําสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่มีลักษณะเกื้อกูลนําความทุกข์ความเดือดร้อนมาให้แก่เราเพราะตัวอารมณ์มัที่จริงมันก็เหมือนกับคนหรือแขกทั้งหลายหรือโรคเ อ, อ อากาศที่เราหายใจหรืออาหารที่ ร, รับประทานนั่นเองที่จริงพวกนี้นก็อารมณ์เหมือนกันมีการวินิจฉัยในขณะนั้นๆไม่ใช่เหมาโหลรวดเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ว่าวินิจฉัยตามสมควรแก่กาละแก่เทศะแก่กรณีแก่อารมณ์แก่บุคคลต่างๆการวินิจฉัยอารมณ์ยิ่งต้องมองพวกของสัพพุทธธรรมอยู่ด้วย สัพพุริสตามที่ทรงแสดงไว้เจ็ดประการนั้นบึกสังเกตว่าเป็นเครื่องมือในการใช้วินิจฉัยในขณะนั้นๆตัวการใหญ่จึงอยู่ที่สองข้อแรกคือความรู้จักเหตุรู้จผลต่อไปก็เป็นการรู้จักตนรู้จักมา ร, รู้จักประมาณรู้จักการรู้จักชุมชนรู้จักบุคคลซึ่งจะต้องใช้ให้เหมาะสมแก่กรณีนั้นๆแต่ใช้ไม่เหมาะสมก็เป็นการปฏิบัติธรรมไ ม, ม่สมควรแก่ธรรม เพราะการปฏิบัติธรรมานั้นพึงสังเกตว่าไม่ใช่ว่าจะต้องสงบสงเยี่ยมเรียบร้อยไม่ขยับขยืขย้อนอยู่เสมอไปก็ไม่ใช่อย่างที่พระเจ้าทรงแสดงแก่พรานนลบรรดูก่อนอานโนลเราจักกระดาบแล้วกระตักจักกระนาบอีกใครมีสาระก็อยู่ได้ไม่มีสาระก็ออกไปลักษณะอย่างนี้ไม่ใช่ว่านั่งหลับตาภาวนาแล้วมันเป็นลักษณะสอดส่องลักษณะจะต้องชี้ผิดชี้ถูกออกมาให้ปรากฏแล้วจดการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นออกไปให้ได้ นั่นก็คือการปฏิบัติธรรมะที่สมควรแก่ธรรมประการที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าใจนั้นจะต้องอประกอบประกอบด้วยธรรมมีการเมตทสงใช้คำว่าเมตตาเป็นปูเรจาริกเกยเมตานาไปขา้างหน้ามุ่งหวังประโยชน์ต่อตอนเองมุ่งหวังประโยชน์ต่อบุคคลอื่นเป็นเบื้องหน้าปัญต่างอะไรที่จะสร้างปัญหาก็สงบระงับไป อะไรที่จะไม่สร้างปัญหาคือจะเพิ่มพูนผลประโยชน์ต่างๆเราก็รับอารมณ์เหล่านั้นคือประครับประคองว่าก็ทํานองง่้ยๆเขาส่งของดีๆให้กับของไม่ดีให้นั่นเองของไม่ดีเราก็ไม่รับของดีเราก็รับมีค่ามากๆเราก็รับประครับประคองตนุถนอมเก็บรักษาสิ่งเหล่านั้นเอาไว้เพราะอารมณ์ที่ผ่านมาสู่จิตคนก็มีลักษณะอย่างนั้นท่านบอกว่าเป็น การดับได้ในขณะนั้นนั้นเป็นการดับที่เราเห็นได้ในขณะนั้นนั้นแต่ต้องเข้าใจว่าจะดับอะไรดับไปแล้วเราจะได้ประโยชน์อะไรอะไรควรดับและไม่ควรดับไม่จะดับทั้งหมดหรือว่าไม่ดับทั้งหมดการใช้สติสมัมปชัญญะและความเพียรวินิจัยตามสมควรแก่กรณีนั้นๆจึงเป็นอุปการธรรมที่จะขาดเสียไม่ได้ต่อจากนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทําความสงบสืบต่อไป